ชมกลมบ่มรู้ดูใจไม่เข้าไปในความคิดชมกลมมันหมานั้นเดินไปเดินมาหรือเคลื่อนด้วยมือได้คมกลมเพื่อบ่มบ่มสภาพรู้ตัวนะครับบ่มรู้แล้วก็ดูใจไว้ครับอย่าไม่เข้ากันในความคิดจมกลมบ่มรู้ดูใจไม่เข้ากันในความคิดคือพอเข้าไปก็ดึงออกมา